เมื่อานเราเคยอยากทำงานไปเมื่ก่อนเกิดเราอยู่ที่ไหนคะอ๋เมื่อก่อนเกิดก็อยู่ในท้องแม่อยางคำถามกนถาอยู่ในท้องแม่อยู่ในท้องแม่ก่อน่อนอยู่ในท้องแม่อออ้งไหนอ๋อถามแมู่เลยอยู่ในท้องข้างหนแม่ ร, รู้แม่รู้สึกรู้อยู่ข้างใ น, น, น, นใช่ให้หมอตัวเองตื่นแก่มากมครฮะให้อเอง่แกมากก่อนรู้ท้องแม่บางราติธาธรรมะใจไห หนูอยู่ท so ี่นี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวพอร่างกายของหนูหายไปหนูก็ไปหาร่างกายอใหม่ไปได้ร่างกายใหม่ตอนนี้หนูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปร่างกายหนูนี่จะหายไปรู้ป่าร่างกายของหนูเนี่ยเดี๋ยวต่อไปจะหายไปพอหายไปหนูก็ต้องไปไปหาร่างกายันใหม่ไปอยู่ในท้องแม่ใหม่ อาจารยอย่างน่อมาเรื่อยอ่งตามมาตอนนี้แสดงว่ามีมีความสนใจมากนะอาจารย์ไหมตอนนี้เข้าใจยัง เป็นเรื่องที่เด็กไม่ธรรมดาเด็กทั่วไปจะไม่ถามจะแปลว่าคงจะเคยถามตัวเองมาตลอดว่าตัวเราอยู่ที่ไหนตัวเราไม่มีรูปร่างเราเลยมาอาศัยร่างกายเป็นที่อยู่เหมือนน้ำเนี่ยน้ำไม่ต้องมีขวด พอมีขวดน้ำก็เข้าไปอยู่ในขวดแล้วน้ำก็กลายเป็นขวดไปรูปร่างของน้ำก็เหมือนกับรูปร่างของขวดแต่พอเราเทน้ำออกจากขวดมันก็ไม่ได้เป็นรูปร่างแบบขวดใจเราไม่มีรูปร่างไม่มีหน้าตามีแต่ความรู้สึกนึกคิดแต่พอมาติดอยู่กับร่างกาย ก็เลยไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเราอาศัยร่างกายเป็นผู้รับใช้เราเพราะเราอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะอะไรต่างๆเราจึงต้องมีร่างกายอยากดูรูปเสียงกลิ่นอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีตาหูจหมูกเอ็นกาย เราเลยเวลาที่ร่างกายเก่าเราหมดไปหมดสภาพไปเราก็ไปเปลี่ยนหาร่างกายอันใหม่ก็เหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถเนีคนขับกับรถยนต์ก็เป็นคนละครกันคนขับเป็นคนสั่งให้รถยนต์พาไปไหนมาไหนพอรถเสียรถใช้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งรถเก่า แล้วก็ไปซึ้รถใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนรถแต่คนขคับคนเดิมเราเนี่ยเป็นคนเดิมแต่เราเปลี่ยนร่างกายร่างกายเรานี่เป็นร่างกายอันใหม่เราเปลี่ยนมาไม่รู้กี่แสนล้านล้านล้า น, านร่างกายแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่าเรายังไม่มีเรายังไม่หมดความอยาก ความอยากที่จะใช้ร่างกายยังไม่หมดก็เหมือนกับเราเปลี่ยนรถยนต์เนี่ยเราเปลี่ยนมากี่คันนะเพราะว่าเรายังอยากจะใช้รถยนต์อยู่แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปไหนมาไหนได้เราก็ไม่ต้องมีรถยนต์ใจเราถ้านิ่งอยู่เฉยๆได้ใจเราก็ไม่ต้องมีร่างกาย ไม่ต้องใช้ร่างกายพาไปดูพาไปฟังพาไปลินมรสดมกลิ่นใจเรามีความอยากความอยากนี่มันจึงพาให้เราต้องไปอาศัยร่างกายเราก็ต้องเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆเพราะร่างกายมันอายุมันไม่ไมีไม่นาน แต่ใจนี้ไม่มีอายุไม่มีวันตายใจนี้ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่ได้เป็นสังขารสังขารคือสิ่งที่ประกอบขึ้นจากสิ่งต่างๆเรียกว่าสังขารเช่นกุฏิหลังนี้ก็เรียกว่าสังขารเพราะมีส่วนประกอบรวมกันหลายอย่างมีไม้มีสังกะสีมีตะปู จึงทำให้เกิดมีศาลาหลังเลี้ขึ้นมาได้เรียว่าสังขารร่างกายเราก็เป็นสังขารเพราะร่างกายเราก็ทํามาจากดินน้ําลมไฟธาตุสี่ดินน้าลมไฟดินมาจากไหนก็มาจากข้าวใช่ไหมข้าวมาจากไหนข้าวก็มาจากดินเรากินข้าวก็เท่ากับเราเอาดินเข้ามาในร่างกายเราดื่มน้ํา เราหายใจก็เอาลมเข้ามาแล้วพอดินน้ำลมไฟดินน้ำลมดินน้ากับลมมารวมกันก็ทำให้เกิดไฟขึ้นมาความร้อนในร่างกายนี่คือร่างกายของเราทำมาจากธาตุสี่ทุกวันนี้เราเติมธาตุอยู่เรื่อย ลมอยู่ทุกเวลานาทีทุกลมหายใจเข้าออกไม่มีการหยุดถ้าหยุดหยุดเติมลมเมื่อไหร่ก็ก็จะหยุดทํางานทันทีพอไม่มีลมเข้ามาน่างกายก็จะเริ่มแตกแยกออกจากกันดินน้าลมไฟที่เข้ามารวมกันก็จะแยกทางกัน เวลาคนตายถ้าเราไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยเขาไว้เฉยๆสิ่งแรกที่หมดไปลมก็คือลมนะลมไม่เข้าแล้วทีก็มีแต่ลมออกลมที่เราเหย อ, ออกมาเป็นกลิ่นในชะ่ไหมร่างกายเราเวลามีกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันก็เป็นธาตุลมน้ำก็ไหลออกมาคนตายนี่เห็นไหมเวลาไป ไปอาบน้ำสพเขาจะปิดเอาจมูกเอาสาลีไปปิดดูจมูกไว้เพราะน้ำมันจะไหลออกมาน้ำเหลืองน้ำอะไร ต, ต่างๆแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันก็ไหลออกมาหมดไฟก็ออกไปตั้งแต่พอเริ่มต้นพอลมไม่เข้าไฟก็เริ่มออก ก็ลมเป็นตัวไปทำให้มีไฟลมไปผสมกับดินกับน้ำทำให้เกิดไฟขึ้นมาพอไม่มีลมก็ไฟก็จะดับตามร่างกายของคนตายลองไปจับดูเลยไ ม, ไม่ไม่เหมือนคนเป็นคนเป็นจะอุ่นนะคนตายจะเย็นแล้วต่อไปท่าน้ำมันก็จะไหลออกไปหมด แล้วก็จะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอ ว, วัยวะต่างๆก็แห้งหมดเคยเห็นที่เราเอาอเอาผลไม้ไปตากแห้งไหมนะั่นแหละนะเวลาไปตากแห้งก็เอาน้ําออกจากผลไมก้กล้วยกล้วยตากกับกล้วยสดนี่เหมือนกันไหมคนสดกับคนคนตากก็ไม่เหมือนกันนะคนตายนะไปดูพวกมัมมี่ไหม ดูพวกที่ตายทิ้งไว้ก็จะเหลือแต่กระโลกเหลือแต่หนังอวัยวะต่างๆก็แห้งถ้าทิ้งไปนานๆมันก็จะผุทางกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายของพวกเราทุกคนทำมาจากดินน้ำลมไฟ ลำต้นก็อาศัยดินน้ำลมไฟของพ่อกับของแม่มารวมกันพ่อแม่มารวมเอาธาตุของพ่อแม่มารวมกันเป็นน้ำสองหยดมารวมกันแล้วก็มีใจผู้ที่ต้องการจะมีร่างกายมาครอบครองมาจองไว้เหมือนเวลาเราไปจองรถยนต์ที่ยังไม่ผลิตเนี่ย แต่ที่โรงงานเป็นที่บริษัทแล้วก็สั่งจองบริษัทเขาก็เขาก็เอาวัสดุต่างๆมาประกอบให้เป็นรถยนต์ช่วงที่เรารอก็เหมือนช่วงที่เขากำลังประกอบรถยนต์เขาก็จะประกอบร่างกายในท้องแม่เราเอาไวยวาวะต่างๆก็จะเริ่มโผล่ขึ้นมาเป็นขึ้นมามีกระโหล ศีรษะมีกระดูกแล้วก็มีแขนมีอะไรมีอวัยวะต่างๆอาศัยธาตุที่แม่ใส่เติมเข้าไปตอนตอนนี้เราอาศัยธาตุของแม่เป็นผู้สร้างร่างกายของเราพ่อเลาให้เพียงแต่ชื้อมาถ้าไม่มีชื่อของพ่อร่างกายมันก็ไม่ไ ม, ไม่เกิดขึ้นมา ต้องมีเชื้อของพ่อกับเชื้อของแม่มารวมกันแล้วก็มีกระแสจิตมาเกาะเรียกว่ากระแสวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณมาเกาะที่เชื้อเนี่ยเชื้อที่มารวมกันก็จะมีการปฏิสนธิเป็นมีการตั้งครนภขึ้นมาแล้วเก้าเดือนก็เป็นช่วงที่เป็นการก่อร่างสร้างตัว โดยอาศัยธาตุของแม่แม่กินข้าวแม่ดื่มน้ำแม่หายใจแล้วก็มีความร้อนมารนมกันมันก็เลยเริ่มสร้างอวัยวะต่างๆขึ้นมาสร้างปอดสร้างตับสร้างไตสร้างหัวใจสร้างอะไรต่าง ๆ, ๆพอครบสามสิบสองอาการแล้วก็ ขนาดโตจนอยู่ในท้องแม่ต่อไปไม่ได้ก็คลอดออกมาพอคลอดออกมาก็เริ่มหายใจเองสิ่งแรกที่ออกมาคลอดออกมาก็คือต้องเอาธาตุลมก่อนออกมาต้องหายใจเอาธาตุลมเข้าในร่างกายแล้วเดี๋ยวก็เอาธาตุน้ำน้ำนมน้ำนมนี่ก็มีธาตุดินผส ม, มอยู่ แร่ธาตุต่างๆนี่ก็เป็นธาตุหนอาหารแล้วก็จเจริญเ ต, ต, ตอบโตอวัยวะอาการสามสิบสองก็ค่อยๆโตขึ้นโตจากดินน้ำลมไฟเนี่ยโตจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเห็นไหมดูคนที่รับประทานอาหารเยอะๆร่างกายก็ใหญ่คนที่ไม่ได้รับประทานอาหารร่างกายก็ผอม ร่างการนี้มาจากอาหารไม่ได้มาจากที่ไหนแล้วมันก็จ ะ, จะเจริญเติบโตไปจนโตเต็มที่อายุกลางคนสี่สิบขึ้นไปพอเลยสี่สิบแล้วก็เหมือนกับถึงยอดเขาละหลังจากสี่สิบมันก็จะเริ่มลงลงเขาละตอนตอนเราเดินขึ้นเขาแล้วก็เดินไป พอถึงยอดเขาเราไม่มีที่สูงกว่านี้แล้วเราก็ต้องเดินลงเขาร่างกายมันก็จะจริญต่อโ ต, อตอไปจนถึงจน ถ, ถึงเต็มที่ของมันเต็มที่ประมาณอ า, ายุสี่สิบสี่สิบกว่าแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มนับถอยหลังนะสี่สิบห้าห้าสิบถ้าอยู่ถึงร้อยห้าสิบก็ถึงกลางทางจริญเต็มที่ได้ก็ประมาณแค่ห้าสิบ หลังจากนั้นมันจะไม่เจริญนะมันจะเริ่มเสื่อมนะหนังจะเริ่มเหี่ยวผอมจะเริ่มอม่อแล้วก็ค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆเวลาเสื่อมมันก็ทำให้เกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมันไม่ค่อยรู้สึกอาการเจ็บทางร่างกายเท่าไหร่นอกจากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย แถ้าปกติแล้วร่างกายมันจะไม่รู้สึกเจ็บไม่ปวดกล้ามเนื้อไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวเพราะมันเป็นของที่กําลังเจริญอยู่มันไม่เสือ่องแต่ต่อไปพอมันเริ่มนับถอยหลังทีนี้มันเริ่มปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เอดังนั้นก็เริ่มเสือ่อมใช้งานไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องอ ใช้ไม่ได้ถ้าอย่างสมัยนี้เขาก็ยังพอจะหาห า, หาอะไรมาเปลี่ยนได้ถ้าตับเสียก็เปลี่ยนตับได้ตายเสียก็เปลี่ยนไตหัวใจเสียก็เปลี่ยนหัวใจแต่เปลี่ยนยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องเสียเหมือนรถนะเราซ่อมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเครื่องเสียก็เปลี่ยนเครื่อง เดี๋ยวเบรกเสียก็เปลี่ยนเบกเดี๋ยวยางเสียก็เปลี่ยนยางเลด้งไปเดี๋ยวในท่สุดก็เปลี่ยนไม่ได้ก็มันเริ่มผุไปหมดทั้งคันโครงสร้างมันมันไม่สามารถที่จะรองรับน้ําหนักของรถได้ของคนได้วิ่งไปก็ก็จะเป็นอันตรายร่างกายก็จะถึงจุดจบ จบก็คือมันไม่หายใจพอไม่หายใจแล้วก็มันก็จะธาตุที่มีอยู่ในร่างกายมันก็จะแยกทางกัน้านี้มันมารวมกันแล้วมันก็จะพยายามที่จะแยกออกจากกันมันจะไม่ชอบอยู่ร่วมกันเหมันน้ำกับน้ำมันเนี่ยเราลองใส่ขวดดูเลยแล้วเขย่ามันให้มันปนให้มันรวมกัน เดี๋ยวมันก็แยกออกกันนะเพราะน้ำมันน้ำมันมันมีน้ำหนักไม่เท่ากันนะน้ำมันมันมีธาตุอื่นรวมอยู่ด้วยมันแยกออกจากกันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องแยกออกจากกันพอมันเริ่มเก่าแล้วมันเริ่มชำรุดทุกๆตัวสอบมือถือเครื่องใช้ไม้สอยนี่ก็เป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นจากสิ่งต่างๆ อยู่รวมกันสักพักแล้เดี๋ยวมันก็เสื่อมมันก็เสียใช่ไม่ได้เนีย่ยเรียกว่าสังขารสัพเพสังขารานิจาต่าว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่แต่เฉพาะร่างกายเราต้นไม้ใบหญ้าภูเขาภูเขาอันนี้ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาเสื่อมช้าเสื่อมเร็วอย่างโรคใบนี้ต่อไปมันก็ต้อง แตกเป็นเสียงไปมันจะไม่อยู่รวมกันเพราะธาตุที่อยู่ในโลกที่ทำให้มันมารวมกันนี่เดี๋ยวมันก็จะแยกออกจากกันทุกอย่างในโลกนี้เรียกว่าสังขารประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนไม่มีไม่ไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลไม่เป็นเราเป็นเขาไม่เป็นพ่อเป็นแม่ไม่เป็นพี่เป็นน้อง เป็นธาตุสี่เป็นอาการสามสิบสองแต่เราที่มาครอบครองร่างกายนี้เราหลงไปคิดว่าเป็นเราแล้วก็ไปหลงไปคิดว่าร่างกายของคนอื่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นลูกเป็นหลานเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เหล่านี้ มันเป็นอาการ32นั่นแหะเป็นร่างกายที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาตายไปใจที่มาครอบครองก็จากไ ป, นะไปย้ายที่อยู่เหมือนคนขับรถพอรถคันนี้พังก็คนขับรถก็ออกจากรถไปแล้วก็ไปหารถใหม่นะพอได้รถใหม่ก็ขับใหม่ แล้วก็มาคิดว่าเป็นรถก็เลยเกิดความรักความหวงความห่วงในรถเพราะไม่อยากให้รถนี้จากเราไปเพราะจากเราลําบากต้องเดินถ้ามีรถก็ไม่ต้องเดินไปไหนมาไหนก็สะดวกร่างกายก็เหมือนกันเวลาไม่มีร่างกายก็ไปเที่ยวไม่ได้นะไปดูหนังฟังเพลงไม่ได้ ไปอยู่กับแฟนไม่ได้ก็ไม่มีใครจึงไม่มีใครอยากให้ร่างกายตายกันพอตายแล้วจะไม่สามารถหาความสุขได้นั่นเองเพราะใจใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอร่างกายจะเป็นอะไรก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกขเพราะความอยากอยากไม่ให้ร่างกายเสื่อมไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากให้ร่างกายตาย แต่จะอยากไม่อยากมันก็ห้ามไม่ได้เพราะร่างกายมันไม่เป็นของเราเราไปสั่งมันไม่ได้ใจไปสั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้สั่งได้ก็บางเรื่องเช่นสั่งให้มันเดินไปไหนมาไหนได้แต่พอถึงเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยสั่งให้มันเดินมันก็ไม่เดินเวลามันนอนอยู่บนเตียงลุกไม่ขึ้น ไปสั่งมันให้เดินมันไม่เดินแล้วะอื่างในที่สุดเราจะสั่งร่างกายไม่ได้เพราะร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราอันนี้ว่าอนัตต า, าเป็นทําเป็นของธรรมชาติเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราสั่งไม่ได้อย่างวันนี้ฝนอากาศเย็นฝนตกเราจะไปสั่งบอกว่า อ, อย่าตกฟ้าทิ์ขึ้นมา สั่งไม่ได้ร่างกายถ้แต่วันนี้มันจะไม่สบายก็ไปสั่งว่าอย่าไม่สบายไม่ได้ให้มันหายทันทีทันใดก็ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุปัจจัยทําให้ไม่สบายมันก็ไม่สบายแล้วถ้าเดี๋ยเหตุปัจจัยที่ทําให้มันไม่สบายหายไปมันก็มันก็กลับมาสบาย เรามาทุก์กับร่างกายเพราะหนึ่งเราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเราสองเราอยากจะใช้ร่างกายเราต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราเลยต้องมาทุก์กับร่างกายเพราะเรากลัวว่ามันจะไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ เวลาที่มันแก่เวลาที่มันเจ็บเวลาที่มันตายนแต่เราก็ไม่รู้จักวิธีทำให้น่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีนักวิทยาศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยพยายามคิดค้นหาวิธีใช่ไหทำไงทำให้น่่งกายมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ถ้าทำได้คงจะรวยนะคงจะขายยาขายอะไรขาย ทุกคนก็อยากจะซื้อกันเนื้อมีใครอยากแก่ไหมไม่มีมีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยไหยไม่มีมีใครอยากตายไหมไม่มีเห็นท่ากายมียาหรือมีอะไรพิเศษมาบอกว่าอ่ะเอาอันนี้ไปแล้วรับรองได้ร่างกายของคุณจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีใครสามารถทําได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ก็อยากจะทําให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ก็ทําไม่ได้ แต่ทำได้วิธีหนึ่งก็คืออย่าไปมีร่างกายอันใหม่ร่างกายอันเก่านนี้ห้ามไม่ได้ถ้ามีร่างกายแล้วไปห้ามมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้แต่ถ้าถ้าไม่มีร่างกายอันใหม่มันก็จะไม่มีไม่มีความแก่ความเจ็บความตายนะพระพุทธเจ้าก็เลยทรงหาวิธีว่าทาไง ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่จะได้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเก็สองคนพบว่าก็ต้องเลิกใช้ร่างกายอย่าไปอยากใช้ร่างกายถ้าไม่อยากใช้ร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ต้องเลิกความอยากทางตาหูจ ม, มูกนิ้กายอยากดูอยากฟังอะไรก็อย่าไปดูมอยากฟังอะไรก็อย่าไปฟังอยู่เฉ ย, เฉย ดูในสิ่งที่มันมีให้ดูฟังในสิ่งที่มันมีให้ฟังฟังเสียงนกเนี่ยฟังได้นี่ไม่ได้ฟังด้วยความอยากมันมาเองรูปที่เราเห็นนี่เราก็เห็นมันไม่ได้ดูด้วยความอยากดูเพราะว่ามันมีให้เราดูถ้าดูแบบนี้ไม่ไม่เป็นความอยากแต่ถ้านั่งอยู่ตรงนี้แล้ว เ, เบื่อรูปเบื่ออยากจะไปเปิดหนังสือดูอะไรเนี่ยอันนี้เรียกว่าอยากดูละ เนืออยากจะเอาอะไรมาเสียบเข้าหูฟังโทรศัพท์ไปหาคนนั้นคนนี้อยากจะฟังเสียงคนนั้นคนนี้อันนี้เป็นความอยากต้องต้องอยากไปอยากดูตามมีตามเกิดฟังตามมีตามเกิดไม่เป็นความอยากพระพุทธเจ้าหลังจากตัดสิรุแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังดูอยู่ยังมีตาก็ดูมีหูก็ฟังแต่ไม่ได้ไปอยากหาหาดูรูปอย่างนั้นรูปอย่างนี้ อยากฟังเสียงอย่างนั้นอยากฟังเสียงอย่างนี้ในใจของพระพุทธเจ้าตัดความอยากได้หมดท่านไม่ต้องไปวิ่งหารูปเสียงกลิ่นรสเหมือนพวกเรายัางวิ่งหากันอยู่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็อยากจะไปตรงนู้นไปหารูปเสียงกลิ่นรสตรงนู้นพอเบื่อรูปเสียงกลิ่นรสตรงนี้แล้วรูปเสียงกลิ่นรสพอเราเห็นจำเจซ้ำสร้สางเราก็เบื่อ เบื่อแล้วเราก็ต้องไปหารูปใหม่เสียงใหม่เราก็นี่คือความอยากมันพาให้ใจเราต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วพอร่างกายที่เป็นเครื่องมือมันหมดสภาพไม่สามารถหาได้เราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปรอเวลาพ่อกับแม่พบกันแต่งงานกันร่วมหลับนอนกัน เราก็ขอาไปขอร่วมด้วยขอเป็นส่วนร่วมในการสร้างสมาชิกใหม่สร้างลูกสร้างอะไรขึ้นมาใหม่นี่ก็คือเรื่องของเราเราคือผู้รู้ผู้คิดเราเป็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆวันนี้เราต้องคิดก่อนว่าจะมาที่นี่พอคิดแล้วก็พอถึงเวลาก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมา ถ้าเราไม่คิดจะมาที่นี่เราก็จะไม่ได้มาที่นี่เราก็จะคิดไปที่อื่นแทนคิดไปทำนูน่ทนทํานี่เหมือนคนที่ไม่ได้มาที่นี่ตอนนี้เขาก็าก็ลงคิดไปทำอย่างอื่นทุกคนต้องใช้ความคิดความคิดนี่แหละเป็นผู้ให้คำสั่งร่างกายอยากจะลุกก็ต้องสั่งคนเดี๋ยวอยากจะลุกแล้วอยากจะไปทำอยากจะเข้าห้องน้ำเนี่ยมันก็ต้องใช้ความคิดสั่ง ผู้คิูสั่งนี้ไม่ใช่เป็นร่างกายเป็นผู้ที่มาครอบครองร่างกายตอนที่เกิดการผสมกันขึ้นมาตอนที่เชื้อของพ่อกับของแม่นี่มารวมกันแล้วก็มีผู้คิดผู้รู้นี่มามาประกบผู้รู้ผู้คิดนี่จะส่งกระแสมาห้ากระแสเหมือนเอาสายไฟมาเสียบที่ ที่ปรักไฟี่ห้าปรักเสียบที่ตาเพื่อจะได้เห็นรูปเสียบที่หูเพื่อจะได้ได้ยินเสียงปรักหรือสายที่ที่จิตส่งมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้งกายนี่เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็คือวิญญาณทางตาก็เรียกว่าจักกุวิญญาณวิญญาณทางหูก็โสตะวิญญาณแล้ววิญญาณนี้ พอตาไปเห็นรูปเนยพอลืมหลับตาก็จะไม่เห็นรูปพอลืมตาขึ้นมาเห็นรูปรูปมันก็จะส่งไปที่ใจผ่านทางวิญญาณวิญญาณก็จะเห็นอ้อมีรูปแล้วเห็นรูปแล้วพอเสียงมากระทบกับหวูวิญญาณก็รับเสียงนั้นส่งไปที่ใจอีกทีใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่อีกที่น่เหมือนคนใช้มือถือกับมือถือนี้ คนใช้มือถือไม่ได้อยู่ในมือถือแต่คนใช้มือถือนี้เป็นคนที่รับเสียงจากมือถืออีกทีเน่พอโทรศัพท์พอคนรับสายก็พูดมามันก็ส่งเสียงไปให้คนที่ใช่มือถือแล้วคนใช้มือถือก็พูดเข้าไปในลำโพงแล้วมันก็ส่งไปให้คนรับอีกทีคนรับก็ไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์มือถือคนรับก็อยู่ข้างนอกมือถือ เราพูดเนี่ยโยมรับเสียงเราเนี่ยร่างกายเป็นผู้รับเสียงแต่ผู้รู้เสียงคือใจใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่อีกโลกหนึ่งที่เรา เ, าเรียกว่าโลกทิพย์ใจไม่มีรูปร่างใจเป็นกายทิพย์ร่างทิพย์อยู่ในโลกทิพย์ยัไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายใจไม่ได้ถูกทาลายไปด้วยเช่นเกิดร่างกายถูกยิงตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจไม่ได้อยู่ในโลกที่เหมือนโทรศัพท์พังเนี่ยคนใช้มือถือไม่ได้พังไปกับโทรศัพท์ น, นี่คือร่างกายกับใจเป็นอย่างนี้แล้วพอพอใจได้รับรูปใจก็จะถามตัวเองว่านี่รูปอะไรใช่ไมเวลาเห็นใครนี่ถามใครว่าจำได้หรือเปล่าดูซิว่ามีความจำอยู่กับรูปนี้หรือเปล่ารูปนี้อยู่ใน อยู่ในความจำหรือเปล่าถ้าถ้าอยู่ในความจำเราก็รู้อ๋อเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องอพอเห็นแล้วก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาจากภาพที่เราเห็นถ้าจะเห็นภาพที่ในอดีตมีความสุขมันก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเช่นเห็นพ่อเห็นแม่ก็มีความสุขแต่พอเห็นเจ้านี้ก็จะมีความทุกข์ ว่ามันมีความรู้สึกไม่เหมือนกันมันฝังอยู่ในใจเราแล้ ว, แ, ลวแต่ถ้าไปเห็นภาพที่เราไม่รู้จักเราก็เลยไม่รู้ว่าจะสุขดีหรือจะทุกข์ดีใช่หไหมเพราะคนนี้เราไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนเราก็เลยไม่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์เราก็เป็นความเป็นความสุขความรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยเวทนาเนี่ยมันจะตามมาหลังจากที่เห็นภาพแล้วก็สัญญาคือความจา ไปคนดูว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเป็นภาพที่ให้ความสุขหรือภาพที่ให้ความทุกข์หรือเป็นภาพที่เป็นกลางกลางมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกคือเวทนาขึ้นมาแล้วพอเกิดเวทนาขึ้นมามันก็จะเกิดสังขารความคิดปรุงแต่งคิดว่าจะทาไงดีกับภาพนี้ถ้าเราชอบภาพนี้เราก็พยายามที่จะดึงให้เขาอยู่ไปนานๆเช่นเจอใครที่เราชอบก็ ชวนให้เขาคุยชวนให้เขาอยู่ไม่อยากให้เขาไปสังขารก็ทำงานถ้าเจอภาพหรือคนที่เราไม่ชอบนี่เราก็คุยสองสามคำเราไปแล้วมีธุระมีอะไรก็ว่าไปเพราะเราไม่อยากจะอยู่กับเขานี่คือสังขารสังขารนี่ทำเกิดเพราะมันมีความอยากอยากจะอยู่กับสิ่งที่มีความสุขอยากจะหนีจากสิ่งที่มีความทุกข์ แล้วพออยากแล้วไม่ได้ตังใจอยากก็เสียใจเช่นอยากให้เขาอยู่เขาบอกเขาอยู่ไม่ได้เขาต้องไปแล้วก็เสียใจหรือคนที่ไม่อยากให้อยู่บอให้เขาไปเขาไม่ไปก็เสียใจเพราะต้องอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบที่เรามาปฏิบัติธรรมนี้เพื่อมาเปลี่ยนตัวสังขารความคิดปรุงนี้อย่าให้มันไปอยากให้มันอยู่กับสิ่งที่เราอยู่ด้วย มีอะไรอยู่ก mm ็อ hmm. ยู่กับมันไปมันไม่มันไม่ทำอะไรเราหรอกเราทำตัวเราเองเราทุกข์เพราะความอยากของเราเองไม่ใช่ทุกข์เพราะเขาทุกข์เพราะเราอยากอยากให้เขาอยู่เขาไม่อยู่เราก็ทุกข์อยากให้เขาไปเขาไม่ไปเราก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเราไม่ได้ไปอยากเขาอยู่ก็อยู่ไปเขาไปก็เขาไปเราก็จะไม่ทุกข์แต่สังขารเรามันไม่ยอมมันมันถูกฝึกมา จนเป็นนิสัยมันจะคอยปรุงแต่งระวังอยากกับไม่อยากเนี่ยอยากให้อยู่อยากให้ไปมันเติมเป็นนิสัยขึ้นมาเราเลยต้องมาฝึกแก้สังขารใหม่มาหยุดตัวเนี้หยุดตัวอยากเนี่ยด้วยการใช้สติกกวกลุ่มกวกลุ่มความคิดก็สังขารเนี่ยสังขารมันจะคิดอยากคิดไม่อยากเราก็ใช้พุทธโธพุทธโธพุทธโธไป พอเราพูดโทพูดโทไปสังขารก็อยู่เฉยๆไม่ปรุงแต่งก็เหลือแต่ตัวรู้เฉยๆตัววิญญาณที่รับรู้เฉยๆรู้รูปรู้เสียงไปแต่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ไม่มีความอยากที่จะให้รูปเสียงกลิ่นรสเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่มีความอยากมันก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาอยากให้เขาไปเขาไม่ไปเราก็ไม่ทุกข์ อยากให้เขาอยู่แต่เขาไม่อยู่เราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราอยากเนี่ยเวลาเขาไปเราก็ทุกข์อยากให้เขาอยู่เขาไปเราก็ทุกข์เวลาอยากให้เขาไปเขาไม่ไปเราก็ทุกข์ความทุกข์ของเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ตัวสังขารนี่เราตึงต้องมาแก้สังขารแล้วสังขารมันเกิดจากสัญญาความจำจำผิดไปจำว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่ เราก็เลยเป็นรักพ่อรักแม่ใช่เราเดี๋ยวเราก็ไม่อยากให้พ่อแม่จากเราไปแต่เขาต้องจากเราไปเพราะเขาไม่เที่ยงใช่ไหเขาเกิดแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องตายแต่เขาไม่ได้ตายไอตัวที่ตายคือร่างกายของเราเห็นร่างกายเขาเราไปคิดว่าเขาเป็นเขาแต่ความจริงไม่ได้เป็นเขาเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายตายไปตัวพ่อตัวแม่ ก็ไปหาร่างกายอนใหม่ต่อเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนสัญญาใหม่ความจำความเข้าใจใหม่ความจําใหม่ต้องจําว่าร่างกายที่เราเห็นนี่มันเป็นเพียงดินน้ําลมไฟแล้วมันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอแต่มันไม่ได้เป็นใครมันเป็นเพียงดินน้ําลมไฟมันไม่ได้เป็นพ่อมันเป็นเครื่องเป็นคนรับใช้ของพ่อแม่ร่างกายของแม่ก็เป็นคนรับใช้ของแม่ ไม่ได้เป็นตัวแม่ตัวแม่ก็คือตัวรู้ตัวคิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างกายอันนี้นี่เกิดเราต้องมาเรียนใหม่เรียกว่าปัญญาเนี่ยที่ให้พิจารณาพิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาเพื่อให้เรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวผู้รู้ผู้คิดไม่ใช่ตัวเราของเราตัวเราตัวเราก็คือผู้คิดผู้รู้เนี่ยไม่ได้เป็นร่างกาย ร่างกายของพ่อของแม่ก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่พ่อแม่เป็นตัวรู้ตัวคิดที่เรียกว่าตัวจิตตัวใจจิตใจของพ่อแม่แม่ไน้ตายไปกับร่างกายของพ่อของแม่ยังไม่มีอะไรจะต้องมาเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่มีใครตายนะสิ่งที่ตายมันก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเวลาโทรศัพท์มือถือพังเราล่องห้กันหรือเปล่าจัดงานศพให้มันหรือเปล่าไม่ต้องไปทำอะไรมันเลย ทำไมร่างกายเวลามันตายเป็นเรื่องใหญ่เป็นโตขึ้นมาเาพราะเราไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่เห็นไหมเวลาในหลวงตายร่างกายในหลวงนี่ต้องเผาแบบพิเศษไหมต้องใช้เวลาปีหนึ่งสร้างเมนขึ้นมาเพื่อที่จะเผาร่างกายนี่แต่ถ้าทุกคนมีปัญญารู้กันว่ามันแค่ร่างกายลายก็โยมทิ้งไปก็จบมันก็เดี๋ยว ก, กลับไปเป็นดินน้ำลมไฟไม่ได้เป็นไข่ ตัวตัวในหลวงท่านไม่ได้เป็นร่างกายตัวในหลวงท่านก็ไปมีร่างกายใหม่ของท่านต่อไป <Yeah. S 1> เราไม่รู้กันเนี่ยเราไปเลยเป็นหลงยึดติที่ร่างกายว่าเป็นคนนั้นคนนี้เราก็เลยต้องปฏิบัติกับร่างกายของคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคนดีคนใหญ่คนโตเราก็ต้องให้เกียรติเต็มที่ถ้าเป็นผู้ร้ายเป็นโจร น, นขอทานเราก็ ปฏิบัติกับร่างกายมันเนยอย่างนึงทั้งที่ร่างกายของโจรผู้ร้ายกับร่างกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ร่างกายเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันทำมาจากอย่างเดียวกันเหมือนเครื่องโทรศัพท์เนี่ยเครื่องโทรศัพท์ของขอทานกับเครื่องโทรศัพท์ของนายกมันก็มาจากโรงงานนันเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ย แต่พอมันเป็นของขอทานมันก็เลยไม่มีค่าขึ้นมาไม่มีเกียรติขึ้นมาพอเป็นของนายกมันก็เลยเป็นมีเกียรติขึ้นมาพอเราไปไปติดอยู่กับสมมุติที่เราไปให้กับอร่างกายอันนี้ร่างกาย น, นี้สูงร่างกาย น, นี้ต่ำํำแต่ถ้ามองด้วยวิปัสสนามองด้วยปัญญาแล้วมันอันเดียวเหมือนกันทำมาจากโรงงานเดียวกันใช้วัสดุ ดิบเหมือนวัตถุดิบเหมือนกันอใช้ดินน้ำนมไฟเหมือนกันะกินข้าวเหมือนกันดื่มน้ำเหมือนกันหายใจเหมือนกันเอไม่มีเห็นไหมในหลวงก็หายใจเหมือนกับเราหายใจลมที่เราหายใจก็เป็นลมที่ในหลวงหายใจใช่ไหมข้าวที่เรากินในหลวงก็กินข้าวแบบเดียวกันไม่มีใครจะกินข้าวอย่างวิเศษได้หรอกข้าวมันก็ต้องมาจากดินเท่านัน ที่เราไม่ใช้ปัญญากันเนี่ยเราไม่รู้ถูกสอนมาให้มองว่าร่างกายนี้แตกต่างกันคนนี้ต่ำคนนี้สูงคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นลูกคนนี้เป็นหลานเราก็เลยหลงกันหลงแล้วเราก็ไปวุ่นวายกับร่างกายกันนี่แล้วสิ่งที่หลงมากที่สุดก็คือหลงลืมไปว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกัน ความแก่ความเจ็บความตายนี้ของร่างกายนี้มันมีอยู่กับทุกคนใช่ไหมแต่ทําไมกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเวลาใครตายทุกคนนี่ทำไมต้องลงข่าวหน้ า, นาหนึ่งเหมือนก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเพราะเราไม่ยอมคิดกันเราพยายามลืมมันเราไม่ยอยากจะคิดถึงความตายกันมันเลยทําให้ความตายนี้เป็นของแปลกไปทั้งที่เป็นของที่มีอยู่กับทุกคนเนี่ย มีใครไม่มีความตายบ้างเนี่ยทุกคนมีทั้งนั้นแต่เราพยายามปฏิเสธมันพยายามลืมมันไม่อยากคิดถึงมันเพราะเรากลัวมันกลัวมันจะตายพระพุทธเจ้าถึงต้องสอนให้เรามาคิดความจริงกั น, กนเพื่อเราจะได้ไม่ลืมจะได้รู้ว่าอะไรตายอะไรไม่ตายไม่ใช่อะไรหรอกแล้วเราจะได้ไม่ต้องมากลัวมาทุกข์กัน พระพุทธเจ้าบอกว่าให้มาแยกกายออกจากร่างกายแยกใจออกจากร่างกายใจกับร่างกายเป็นสองคนคนหนึ่งเป็นนายคนหนึ่งเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นคนสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่ร่างกายมันก็มีธรรมชาติของมันมีขั้นตอนของมันมันมีเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็มีแก่มีแก่แล้วเดี๋ยวมันก็มีเจ็บมีเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็มีตายให้คิดอยู่เรื่อยๆจะได้ไม่ลืม พอเราไม่คิดเราก็เลลืมแก่ลืมเจ็บลืมตายพอแก่ขึ้นมาก็ตกใจเห็นไหมพอหนังเริ่มเหี่ยวหน่อยก็ตกใจแล้วพอผมเริ่มขาวหน่อยก็ตกใจแล้วพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตกใจพอจะตายก็ยิ่งตกใจใหญ่เพราะเราลืมแต่ถ้าเราคิดอยู่ทุกวันทุกวันใจมทั้งไม่ลืมแล้วก็จะรู้เออเป็นเรื่องธรรมดา เดี๋ยวมันก็ต้องแก่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายแล้วเราไม่ได้เป็นมันเราจะไปกลัวมันทําไมเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับมันเนี่ยต้องคิดบ่อยๆนี่มาเปลี่ยนสัญญาเข้าใจไหมตอนนี้สัญญาของเราเป็นว่าเราจะต้องอยู่ไปเรื่อยๆเราจะต้องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้สัญญาผิดความจําผิดไม่ตรงกับความเป็นจริงเยที่เรามาพิจารณาปัญญาเพื่อมาแก้สัญญา แกความจําเก่าแกลว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นของใครไม่ได้เป็นของพ่อไม่ได้เป็นของแม่ไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นของพี่ของน้องของลูกเป็นของดินน้ําลมไฟร่างกายมันมาจากดินน้ําลมไฟเจ้าของก็คือดินน้ําลมไฟเดี๋ยวเจ้าของก็จะมาเรียกคืนไปเห็นไหมเวลาคนตายน้ําก็กลับไปหาน้ํำน้ําก็ไปก็อยู่กับน้ําลมก็กลับไปอยู่กับลม ไฟก็ไปอยู่กับไฟดินก็กลับไปสู่ดินร่างกายเดี๋ยวก็แม้เผาก็กลายเป็นขี้เถ้าขี้เถ้าก็ไม่ใช่ดินหรอกให้พิจารณานี้แก้สัญญาสัญญาเราตอนนี้เป็นสัญญาผิดเราเห็นร่างกายว่าเป็นเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นลูกเราเป็นหลานเราเป็นน้องเราเป็นเพื่อนเราอะไรเป็นเราไปหมด พออะไรเป็นเราก็ทุกข์ทันทีเพราะหวงไงเพราะไม่อยากให้มันไม่เป็นของเราอะไรเป็นของเราแล้วก็ต้องอยากให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆพอเราไปเป็นของอื่นมันทุกข์ไหมเวลาแฟนเราไปเป็นแฟนคนอื่นนี่มันทุกข์ปะทุกข์เพราะอะไรเพราะเราอยากให้เป็นของเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักเขามาก่อนเขาไปเป็นแฟนคนอื่นเราทุกข์ไหมเพราะเราไม่ได้เป็นถือว่าเขาเป็นของเราอย่างคนที่เราไม่รู้จักเราทุกข์กว่าเขา่ะ พเขาจะเป็นของใครก็เรื่องของเขาเองนะแต่พอเข้ามาเป็นของเราปั๊บเนี่ยเขาไปเป็นของคนอื่นไม่ได้แล้วสิใช่ไหมพอไปเป็นของคนอื่นก็ทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะเราไปนหนงผิดไป็นหนงคิดก็าเขาเป็นของเราพอเป็นของเราเราก็หวงแล้วก็หวงยึดติดเงี้ยอุปทานยึดติดต้องเป็นของเราไปเรื่อยๆพอเขาไปเป็นของคนอื่น พอก็กลับไปเป็นดินน้ําลมไฟก็ร้องหม่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจนี่คือปัญญาที่เราจะต้องมาแก้สัญญาเรามีสัญญาเราเห็นอะไรเป็นเราไปหมดต่อจากไปนี้เราต้องบอกไม่มีอะไรเป็นของเราสัพเพธรรมานัตตาสังขารก็ไม่ใช่ของเราทำก็คือดินน้ําลมไฟก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นของธรรมชาติมันมาจากธรรมชาติ สังขารก็ทำมาจากดินน้ําลมไฟธรรมก็คือดินน้ําลมไฟเนี่ยธรรมนี่มันมีสองอย่างธรรมที่เป็นสังขารกับธรรมที่ไม่เป็นสังขารธรรมที่เป็นสังขารก็คือร่างกายเนี่ยทำมาจากดินน้ําลมไฟแต่ดินนี่ไม่ได้เป็นสังขารธาตุดินเป็นธรรมธาตุดินนี่ไม่ได้ไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นธาตุน้ําก็ไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นธาตุลมก็ไม่มีส่วนผสม ธาตุไฟก็ไม่มีส่วนผสมเขาเป็นธาตุล้วนๆธาตุรู้คือใจก็เป็นธาตุล้วนๆไม่มีส่วนผสมพวกนี้จึงไม่มีวันแตกสลายไม่มีวันแยกออกจากกันเพราะมันไม่มีส่วนประกอบเราจึงเรียกว่าธรรมสิ่งที่มีส่วนประกอบเราเรียกว่ า, า ส, สังขารเนี่ยที่บทเทวทงตอกสัพเพสังขารานิจาก็คือสังขานี้จะต้องไม่เที่ยง เพราะมันจะต้องแยกออกจากกันสังขารทุกขาเวลามันแยกจากกันมันก็ทำให้เราทุกข์แต่ธรรมนี้เป็นอนัตตาธรรมนี้เป็นทั้งสังขารและไม่สังขารสังขารก็เป็นอนัตต า, าธาตุก็เป็นอนัตตานี่คือให้เราพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างที่เรามีครอบครองอยู่ตอนนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลย จะเรียกว่าเป็นของยืมเข้ามาก็ได้ร่างกายเราก็ยืมมาจากดินน้าลมไฟร่างกายของแฟนเราก็ยืมมาจากดินน้าลมไฟร่างกายของพ่อแม่ก็ยืมมาจากดินน้านมไฟข้าวของบ้านช่อมก็ยืมมาจากดินน้าลมไฟเวลาสร้างบ้านเราก็ต้องเอาดินเอาเอาอิดเอาปูนเอาทรายมาผสมกันเอาน้ำมาผสมกันมันถึงจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้เอาเด็กเอาอะไรมาประกอบกัน มันก็เป็นของดินน้ำลงไปนฟบ้านนี้สร้างไปสักห้าสิบปีมันก็เริ่มพังอย่างใช่ไหมทำไมมันไม่อยู่เหมือนตอนที่เราสร้างใหม่ๆเพราะมันไม่เที่ยงนี้อหมเพราะมันต้องเสื่อมเพราะว่ามันธาตุมันจะแยกออกจากกันอยู่เรื่อยๆสิ่งต่างๆที่มาผสมกันรวมกันมันจะแยกออกจากกันเนี่ยเห็นปูนทรายมันมารวมกันเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็แยกกันละ พอนะ้มันเริ่มแห้งออกเริ่มออกจากออกจากหินปูนทรายมันก็จะเริ่มกร่อนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็แตกแยกออกมานี่คือเราต้องมาแก้สัญญาเราใหม่เราต้องบอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกครั้งไม่ใช่ของเราทุกอย่างที่เป็นของเราจะทำให้เราทุกทุกคร้งเราอยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้เป็นของเราไปตลอดแต่อันไหนไม่เป็นของเราเราจะไม่ทุกข์ใช่ไ บ้านคนอื่นเราทุกข์ไหมเวลาบ้านคนอื่นพังเไหยบ้านคนอื่นน้ําท่วมเราทุกข์เป่าอพ่อแม่ของคนอื่นเขาตายเราทุกข์เป่าอภรรยาสามีของคนอื่นตายเราทุกข์เป่าลูกของคนอื่นตายเราทุกข์เป่ามันก็เป็นร่างกายเหมือนกันไม่ใช่นะแต่ทำไมพอไปเป็นพ่อแม่ของเราตายเราทุกข์ขึ้นมาพราะเราไปถือว่าเป็นของเราเท่า น, นั้นเองเราต้องมาแก้ใหม่ถ้าไม่อยากจะทุกข์ ต้อมองว่ามันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของดินน้าลมไฟร่างกายเวลามันตายมันกลับไปกลับคืนสู่ดินน้าลมไฟมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันแยกตัวออกจากกันเราเอาดินน้ำลมไฟมาปั้นให้เป็นร่างกายเหมือนเราปั้นตุ๊กตาเนี่ยเอาดินมาปั้นเนี่ยปั้นไปสักทิ้งไปสักพักเดียวมันแห้งมันก็แตกออกไปตุ๊กตาเก็บไว้สัก10บยี่ปีเดียวมันก็มันก็แตกออกไป เพรทุกอย่างที่เรามารวมกันนี้มันจะมันจะแยกออกจากกันที่มันมารวมกันเพราะเรามีน้ํามาผสมมันทําให้น้ํากับดินนี่มันเกาะติดกันอยู่เดี๋ยวพอน้ํามันแห้งออกไปดินที่เกาะติดอยู่มันก็ไม่มีกาวที่จะให้มันเกาะติดอยู่มันก็แยกออกจากกันร่างกายเราก็เหมือนกันเรามีน้ํากับดินมาเกาะทําให้มันเกาะติดกันเป็นรูปเป็นร่างเป็นอวัยวะต่างๆเดี๋ยวต่อไปเวลาไม่มีน้ําเข้ามาเวลาตายไปเราไม่ดื่มน้ําแล้ว เวลาไม่หายใจไม่เอาลมเข้าไปไม่เอาน้ำเข้าไปมันก็ไม่สามารถรักษาร่างกายให้ดินนี้ให้มันอยู่ต่อไปได้เดี๋ยวมันก็แยกออกจากกันนี่เราต้องมาพิจารณาบ่อยๆพิจารณาให้เห็นว่าเวลามองเห็นร่างกายนี้อย่าไปมองว่าเป็นคนนั้นคนนี้ให้มองว่าเป็นดินน้าลมไฟแต่เป็นสมบัติของคนนั้นคนนี้เอว่ามองร่างกายนี้อย่าไปมองว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ ให้มองว่าเป็นสมบัติของพ่อของแม่ะเป็นเหมือนรถของพ่อของแม่พ่อแม่เป็นคนขับรถกับร่างกายอันนี้เดี๋ยวเวลาร่างกายนี้ตายก็เหมือนกับรถของพ่อพังไปรถของแม่พังไปแต่ตัวพ่อตัวแม่ไม่ได้พังไปกับรถให้มองอย่างนี้พยายามมองให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวพ่อตัวแม่ตัวคนนั้นตัวคนนี้ร่างกายนี้เป็นเป็นดินน้ำนมไป ที่มารวมกันทําทให้เกิดอาการสาสิบสองขึ้นมาเกิดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเอาไว้เยว่าต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็ใช้มันเหมือนเราใช้รถยนต์แต่ไปใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเสื่อมแล้วเดี๋ยวมันก็จะพังให้บอกยงนี้แล้วเราจะไม่เศร้าสูกเสียใจเวลาคนที่เรารักจากเราไป พอเรารู้ว่าเขาไม่ได้ตายไปกับร่างกายเขาถึงเวลาที่เขาจะต้องไปเปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนร่างกายใหม่เดี๋ยวเราก็ถึงเวลาที่เราก็ต้องไปเราก็ต้องไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ถ้าเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่แต่ถ้าเราเข็ดพพอเพราะเพราะเพราะเห็นว่ามีร่างกายที่ไรก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเข็ดแบบพระพุทธเจ้า อาวุธเจ้าก็เลยค้นหาสาเหตุว่าอะไรทำให้เรามาเกิดก็สองคนพบว่าเกิด ค, ความอยากใช้ร่างกายนี่แหละอยากใช้ร่างกายพาไปเที่ยวพาไปกินไปดื่มไปเล่นไปดูไปฟังอะไรต่างๆก็เลยต้องมีร่างกายอาพุธเจ้าก็เลยหาวิธีว่าเราอยู่แบบไม่มีร่างกายได้ไหมไม่ต้องใช้ร่างกายได้ไหมก็สองคนพบว่าถ้าเราทำใจให้นิ่งหยุดความคิดได้ใจเราจะมีความสุข สุขโดยที่เราไม่ต้องมีร่างกายพาเราไปหาความสุขเราต้องมาหาความสุขแบบใหม่หาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขแบบนี้ใช้สติเป็นตัวหาความสุขใช้สติหยุดความคิดความคิดนี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งถ้าเราต้องการให้รถยนต์หยุดเราต้องทำยังไงต้องเหยียบเบรกถ้าไม่มีเบรกมันก็ไม่หยุดใช่ไหม ชันใดถ้าเราอยากจะให้ความคิดหยุดเราก็ต้องมีเบรกเบรกของความคิดก็คือสติให้เรารู้อยู่สติคืออะไรให้เราให้เราสั่งให้มันหยุดคิดถ้าเราสั่งให้มันหยุดคิดไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีเบรกเราก็ต้องสร้างเบรกขึ้นมาวิธีสร้างเบรกสร้างยังไงก็บังคับให้ใจมันคิดอยู่เรื่องเดียวอย่าให้มันไปคิดหลายเรื่องเหมอนการมันจอดเนี่ย ให้รถมันจอดอย่าให้มันปิ้งไปนู่นมานี่บังคับให้มันจอดวิธีที่ให้ใจจอดหรือให้ใจหยุดวิธีที่จะทาให้เกิดสติก็ให้มันอยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับพุทโธเย่างเงยขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าจะให้มันอยู่กับเรื่องอื่นก็ได้แต่ให้อยู่เรื่องเดียวจะให้มันอยู่กับร่างกายก็ได้ให้มันเฝ้าดูร่างกายไปตลอดทั้งวัน ร่างกายกำลังทำอะไรก็เฝ้าอยู่มันไปอย่าให้มันไปอยู่ที่อื่นอย่าให้มันอยู่ที่อุดรอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่เมืองนอกเมืองนาอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่ไต้หวันให้มันอยู่ที่ร่างกายสติที่ตั้งของสติไงให้จะได้มีสติถ้าถ้าไม่มีที่ตั้งจะไม่มีสติเราต้องหาที่ตั้งให้กับใจจะได้เกิดสติขึ้นมาจะได้อยู่ความคิดได้ พระพุทธเจ้าสอนที่ตั้งของสติมีอยู่40ชนิดเรียกว่ากรรมฐาน40เนี่ยกรรมฐานคือที่ตั้งของสติเราสามารถเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่ตั้งของสติได้เป็นที่สร้างสติขึ้นมาเป็นอนาปนานสติก็แปลว่าลมเข้าลมออกเป็นที่ตั้งของสติพุทธานุสติก็คือพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งนึกถึงพระพุทธเจ้าจะนึกถึงพระพุทธคุณก็ได้ เช่นเราแล้วลึกกิติโสภกวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธไปเนี่ยสวดไปเรื่อยๆใจเราก็จะไปคิดถึงแฟนไม่ได้คิดถึงขนมไม่ได้คิดถึงกาแฟไม่ได้ถ้ามันคิดก็ดึงมันกลับมาสวดอย่าปล่อยให้มันไปถ้าเราอยู่กับสวดไปเรื่อยๆต่อไปความคิดมันก็จะไม่ไปใจก็จะนิ่งใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายจะสงบจะมีความสุขขึ้นมา กรรมฐานมีอยู่4ี่สอนุสติมีอยู่สิบเช่นอนาปนาสติลมหายใจเข้าออกพุทธานุสติธรรมโมธรรมานุสติสังคานุสติที่เวลาสวดธรรมวัชวัฏเย็นกันนี่ก็เป็นการฝึกสติรู้เปล่าเวลาสวดมนเราจะได้ไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กันแต่เราสวด น, นิดหน่อยสวดเดียวๆสวดพอหอมปากหอมคอแล้วก็เลิก ความหมายท่านเอาให้สวดทั้งวันทั้งคืนเพื่อจะได้ควบคุมความคิดให้ได้พอเราควบคุมความคิดได้แล้วเราไม่ต้องสวดแสดงว่าเรามีสติแล้วถ้าเราไม่มีสติเราเร า, เราต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยการสวดมน์ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือธรมโมธรรมโมสังโฆ ถ, ถ้าเราถ้าเราทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะหยุดความคิดได้ พอหยุดความคิดได้แล้วหล่อไปเราไม่ต้องพูดโธเพีต่สั่งมันให้หยุดเท่านั้นพอรู้ว่ามันจะคิดก็บอกให้มันหยุดคิดมันก็หยุดคิดได้แต่ถ้าสั่งให้มันหยุดแล้วมันไม่หยุดแสดงว่าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาก็ต้องสร้างด้วยกรรมฐาน ส, านสี่สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอนาปนานุสติกายักขาสติก็ร่างกายใช้ร่างกายเป็นที่ตั้ง สร้างสติเข้าดูร่างกายไปเรื่อยๆมรณะนุสสติก็้นึงถึงความตายไปเรื่อยๆหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายให้คิดอย่างนี้ไปทั้งวันกูหายใจเข้าแล้วถ้ากูไม่หายใจออกก็ตา ย, ห, ย, า ห, ายาาหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายคิดอย่างนี้ไปแล้วมันมันก็จะมีสติกันมามีหลายอย่างนะอนุสสติต่างๆมีถึงสิบชนิดด้วยกันแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีอย่างอื่น การพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่ก็เป็นการจเจริญสติอย่างนึงการพิจารณาอาการสามสิบสองก็เป็นการจเจริญสติอย่างเนีย่ยมีอยู่สี่สิบชนิดแต่อยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเข้าไปค้นใน Google เลยเขียนคําว่ากรรมาฐานสี่สิบแต่เราไม่จําเป็นจะต้องใช้มันทั้งหมดทั้งสี่สิบอย่างมันเป็นเหมือนอาหารเราไม่ต้องกินอาหารทั้งสี่สิบชนิดหรอก เราเลืองอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกปา ก, กถูกใจแล้ ว, แ ล, วแล้วกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันกรรมฐานมันก็มีที่เหมาะกับจริตของคนต่างกันไปบาคนบางคนก็ชอบพุทโธบางคนก็ชอบดูร่างกายบางคนก็ชอบมานานุสติบางคนก็ชอบพิจารณาอาการสาสิบสองอก็แล้วแต่ขอให้มีอะไรสักอย่างคอยกํากับใจคอยผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดด้วยเปื่อย ใจเราตอนนี้ชอบคิดด้วยเปลือล่อยถ้าเป็นเรือเหมือนเรือไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีสมองไม่ได้ทอดสมองมันก็จะไหลไปตามกระแสความรู้สึกและคิดอยากจะคิดอะไรก็คิดไปคิดไปเออคิดแล้วก็เกิดความอยากความโลภความโกรธขึ้นมาแล้วก็ต้องไปทําตามความอยากพอทําแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจทุกข์ใจพอได้มาก็ดีใจก็อยากจะได้มากขึ้นอีกเอ มันก็จะทำให้เราใจหมุนติ้วอยู่ตลอดเวลาใจจะไม่มีวันนิ่งถ้าเราไม่มีสติคอยกากับใจคอยหยุดใจถ้าใจไม่นิ่งใจจะไม่มีความสุขต่อให้ได้เงินทองมาร้อยล้านพันล้านกสส็สุขเดียวเดียวสุขตอนที่ได้มาปั๊บเดียวแล้วหลังจากนั้นก็อยากอีกครอยู่เฉยๆไม่ได้จะมีความอยากโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าอยากจะให้มีความสุข เราก็ต้องทำใจให้นิ่งอย่าให้เกิดความอยากแล้วถ้าไม่เกิดความอยากเราจะได้ไม่ต้องมาใช้ร่างกายจะหาเงินร้อยล้านพันล้านก็ต้องมีร่างกายมันจะหาไปได้กี่ปีเดี๋ยวมันก็แก่เจ็บตายแล้วเงินที่หามาได้ร้อยล้านพันล้านมันเอาไปได้หรือเปล่ามันก็เอาไปไม่ได้มันก็ไปแต่ความอยากความอยากจะมีเงิน้อยล้านพันล้านมันก็จะกลับมาเกิดใหม่ ถ้าเรามาฝึกสติหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาเงินไม่ต้องไปหาอะไรมาให้เรามีความสุขพอเรามีความสุขที่ดีกว่าที่เกิดจากความสงบนี่แหละนี่พระพุทธเจ้าบอกก่อนที่จะทําอะไรต้องก่อนที่จะเลิกความอยากต่างๆได้นี่ต้องมีความสุขในในใจก่อน พอมีความสุขในใจแล้วเราจะเฉยๆจะมีเงินไม่มีไม่เดือดร้อนจะมีแฟนไม่มีแฟนไม่เดือดร้อนจะได้ไปเที่ยวหรือไม่ไปเที่ยวไม่ไ เ, ไมเดือดร้อนเพราะมีความสุขที่ดีกว่าอยู่แล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราก็จะได้ใช้ความสุขนี้สู้กับความอยากได้บอกว่าไปทํำไมไปให้เหนื่อยเปล่านั่นก็เป็นความสุขเดนียวเดียวไปเที่ยวก็ดีใจพอกลับมาก็เหงาเหมือนเดิมช่วอยู่กับความสงบได้ดีกว่า ไม่ต้องไปเที่ยว ไ, ไม่ให้เหนื่อยไม่ต้องใช้ร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ยังมีความสุขได้เพราะเราทําใจให้สงบได้การทําใจให้สงบไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือใช้กรรมฐานเป็นเครื่องมือใช้พุทโธเป็นเครื่องมือใช้อนาปนานสติเป็นเครื่องมือถ้าเราทําได้มีความสุขในใจแล้วเราก็จะเลิกความอยากต่างๆได้เพราะเราจะเห็นด้วยปัญญาว่าการไม่ทําตามความอยากไม่มีวันสิ้นสุด อยากเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะสิ่งที่เราได้มาได้มามันได้ก็เป็นความสุขเดียวเดียวพอได้มาปับ๊บมันก็หายไปแล้วความสุขนั้นต้องไปหาใหม่เลยมันก็ต้องพาให้เรากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอ่านี่คือเรื่องของวิญญาณเรื่องของใจเรื่องของตัวเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเรา้ว่าผู้คิดที่ตอนนี้ไปหลง คิดว่าเราเป็นร่างกายเพราะเรายังมีความอยากใช้ร่างกายหาความสุขอยู่เพราะเราไม่มีความสุขในตัวเราในใจเราเพราะเราไม่รู้ว่าวิธีที่จะมีความสุขในใจแล้วนี้มีได้อย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราจะไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในตัวเราอย่างคนที่ไม่มีศาสนาเขาไม่รู้หรอกว่ามานั่งสมาธิกันทำไมเขไปหาเงินกันดีกว่าไปเที่ยวกันดีกว่าใช่ไม เขาคิดว่าความสุขอที่ตรงนั้นเนี่ะเขาไม่รู้ว่ามีความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องมีร่างกายต่อไปพอไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายเขาก็ไม่รู้อีกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตายไปแล้วเขากลับมาเกิดใหม่คนพวกนี้ไม่มีวันรู้เลยถ้าไม่ได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็จะหลงอยู่กับการหาเงินหาทองหาความสุขจากทางร่างกายไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมาทุกกับเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตาย หรือทุกขกับเวลาที่สูญเสียสิ่งที่เราหามาได้ไปมันก็จะทุกข์อย่างนี้ไปไม่มีวันสิ้นสุดตายไปก็กลับมาทุกข์แบบใหม่แบบเก่ากลับมาเกิดแก่เจ็บ ต, ตายมาทุกข์กันอย่างนี้มาไม่รู้กี่แสนล้านรอบแล้วถ้าเราได้มาพบเปิดพบพุทธศาสตร์นะเราจะได้รู้ว่าเรามีมความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ทําให้เราไม่ต้องมาทุกข์มันไม่ต้องมาร้องหง่มร้องไห้กัน คือความสุขที่เกิดจากการหยุดใจหยุดความคิดหยุดความอยากทำใจให้สงบนี่คือเรื่องของเราเราไม่มีวันตายแล้วเราก็จะไม่ต้องไปแบกร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราพบกับความสุขที่มีอยู่ในใจเราถ้าเรามีกรรมฐานมีสติตลอดเวลาใจเราจะสงบงันขอให้เราลองไปปฏิบัติดูลองไปฝึกพุทธโธดู ลองไปฝึกปานาปณนาสติดูควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้แล้วเราจะหยุดความอยากได้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมามีร่างกายต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินางเปตางนังอุปการปติอิชิตังปะทิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรินตุสังกปะจันโทปนาหรโสยะถามานิโชติ อาบาโสยะทัสสะพีธ so ิโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีคาโยโวะอภิวาธนศีลิษะนิจจังุทาปจายโนจตารโธรรมวัฏฐนติอายุวันุสุขัง พาลาตัวเอ่อจะไปปฏิบัติวันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดอะตนี้เป็ น, นปี่สิบแปดเลางต้นก็ไปชิมก่อนนะชิม อ, อย่างไรถ้าเดี๋ยวติดใจก็ไปเอาเต็มที่เลยตอนนี้ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่ ยัติดทั้งสองอย่างแบบเก่าก็ยังติดอยู่แบบใหม่ก็ชอบแต่ยังไม่ค่อยติดเดี๋ยวถ้าได้ได้ผลแบบใหม่แล้วทีนี้ก็จะติดแบบใหม่อันนี้ยังไม่ได้ผลเต็มที่ได้นิดนิดหน่นอยหน่อยเหมือนได้ชิมยังไม่อิ่มถ้าได้แบบอิ่มแล้วทีนี้มันจะไม่อยากจะได้อย่างอีกนะ มันยังสู้กันอยู่มันยังสู้กันอยู่มันยังไอตัวอยากจะกลับไปหาของเก่ามันยังคอยเดินอยู่ด้วยอันนี้ใครมีคำถามอยากจะถามไมอันนี้เป็นคาถามหรือเปล่ า, วา เ, เวลาที่เราไม่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมจะจเวลาที่ใช้ชี อยู่านอกับจะทำอย่างไรกับกับารอ่ากับ ก, กบิเลสหรือว่าถูกใจก็พยายามถือศีลไปศีลห้าศีลแปดถ้ารักษาศีลแปดได้ก็รักษาถ้าไม่ได้แปดข้อเจ็ดข้อก็ยังดีหกข้อก็ยังดีห้าข้อก็ได้แล้วก็ฝึกสติคอยควบคุมใจให้ใจอยู่กับร่างกายเฝ้าดูร่างกาย อย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่อยเปื่อยเรื่องใช้พุทโธพุทโธดึงไว้ก็ได้แล้วเวลากลับบ้านก็ถ้าตัดความสุขทางโลกได้ก็พยายามตัดมันเอาเวลามานั่งสมาธิดูหนังดูละครดูกีฬาดูอะไรต่างๆเวลาออกกำลังกายก็ให้มีสติอยู่กับการออกกำลังกายอย่าคิดถ้าไม่จำเป็นอย่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ออกกำลังกายไปก็พูดโทไปเรื่องเฝ้าดูร่างกายว่ากำลังทำออกกําลังกายกําลังวิ่งกําลังยกน้ําหนักกําลังทําอะไรก็ให้เฝ้าดูไปอย่าให้มันคิดพยายามนั่งสมาธิให้มากๆแล้วถ้ามีวันหยุดก็ไปอยู่วัดไปอยู่ที่ไหนที่เงียบๆไม่ต้องแล้วก็อยู่ปฏิบัติเหมือนกับอยู่วัดก็ได้อยู่บ้านก็ได้ถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็เอาเป็นวันปฏิบัติไปอย่า เ, อาเวลาว่างที่ไม่ทํางานนี้ไป ทำอย่างอื่นเอามาปฏิบัติเอามาเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเขาสามาถเพราะว่าเวลาที่อยู่ในเขตวัดหรือว่าเทตที่ปฏิบัติธรรมที้ก็จะไม่มีสิมารวบคุณใจแต่ว่าพอไปอยู่ในใช้ชีวิตประจำวันทำงานเนีรก็จะมีสิ่งที่ซ่องมาเขาปักหรืออะไรทำให้เขาไม่ไม่สงบลได้ก็ต้องพยายามใช้สติคอย หยุใจเราอย่าไปมีการตอบโต้กับสิ่งที่มาให้เราสัมผัสดึงใจไว้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเห็นอะไรก็พุทโธพุทโธไปให้รู้เฉยแต่อย่าไปมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เรารับรู้เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้ห้ามใจเราไม่ให้ไปยุ่งกับเขาดึงใ้พุทโธดึงใจไว้พุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันก็จะไม่ไปตอบโต้กับสิ่งที่เรารับรู้ พอเราไม่ตอบโต้เราใจเราจะเย็นจะเฉยจ ะ, จะไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่เรารับรู้พยายามหัดใช้พุโทโธไว้จะช่วยใจเราได้มากหมดแล้วใช่ไหมมีคําถามทางบ้านไหม ม, มีต่างประเทศหรือเปล่าต่างชาติหรือเปล่าไม่ยังไม่มีมยังน ะ, ะมีคําถามจากผู้ฝึกทางค่ะปกติ ปฏิบัติช่วงเช้าเดินจงกรมนั่งสมาธิพอจิตสงบ ก, ก็พิจารณาอสุภัสแต่เป็นเหมือนสัญญาแต่ครั้งนี้จิตสงบนิ่งอยู่สักพักเห็นผู้หญิงหน้าตาน่ารักเต้นอยู่แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นก้ามเนือ้อและกระดูกเลยนั่งดูจิตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปก็สลับเปลี่ยนไปมากระดูกเป็นก้ามเนือ้อแล้วเห็นภาพก็หายไปแล้วก็นิ่ง เ, เฉยว่างๆเย็นๆก็ปล่อยให้เป็นแบบนั้นให้จิตถอนออกมาเอง หนูปฏิบัติถูกต้องไหมคะจาดขออุบายในการปฏิบัติต่ออย่างไรคะ่ะเวลานั่งไม่ควรที่จะไปพิจารณาควรพยายามให้มันนิ่งให้มันว่างเวลาจะพิจารณาตอนออกมาจากสมาธิอย่างเห็นหน้าใครก็เห็นนึกถึงกระโหลกศรีรษะที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเขาเลยเอาของแท้แทจริงๆเวลานั่งนี่ไม่ไม่ได้มองเห็นของจริงเพียงแต่เราจินตนาการคิดไปเอง ต้องมาเจอคนเจอแฟนนั้นก็นึกถึงกระโหลกศีรษะเขาหน้าเขาไม่มีอะไรหน้าเขาก็มีหนังหุ้มกะโหลกอยู่ดีๆ้คิดอย่างนี้นี่พิจารณาจะได้ถึงถึงเหตุถึงผลเวลาไปนั่งนี้เราต้องการนั่งเพื่อให้เกิดพลังเกิดความสงบเกิดความสุขเกิดความอิ่มใจเวลาที่เราจะพิจารณาเราต้องออกจากความสงบแล้ว เวลาเรามาทำอะไรต่างๆเห็นอะไรนี้เราพิจารณาได้หมดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเห็นร่างกายก็พิจารณาว่าเป็นอรสุภะได้นึกถึงนึกใช้สัญญาไปก่อนนึกถึงภาพที่เราเห็นภาพอรสุภะนึกถึงโครงกระดูกแล้วดูทีว่าเราจะเห็นโครงกระดูกในร่างกายของคนที่เราเห็นหรือเปล่าถ้านึกบ่อยๆต่อไปมันก็จะเห็นโครงกระดูกเองเพราะมันมีอยูเอ่เราไม่มองมันเองมันถูกหนังหุ้มหออยู่ แต่ถ้าเรานึกบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะทาให้หนังนี่มันกลายเป็นถุงพลาสติกไปใสเหมือนถุงพลาสติกมันก็จะเห็นโครงกระดูกซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังอันนี้ต้องใช้ตอนที่ออกมาจากสมาธิแล้วจะดีกว่าตอนในสมาธินี่เรานั่งเพื่อนั่งสมาธิเพื่อสร้างพลังสร้างความสงบจะได้มีกำลังมาพิจารณาได้ไม่ใช่เวลานั่งแล้วไปพิจารณาออกมาจะไม่มีกาลัง ออกมาแล้วเจออะไรก็ดูเหมือนเดิมดูยังไงใครเห็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นอันนี้เราต้องการจะเห็นส่วนที่เรามองไม่เห็นคือส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังตอนต้นเราก็อาศัยภาพถ่ายหรือภาพวาดของนักศึกษาแพทย์เขาดูศึกษาวิทยาศาสตรต่างๆเราดูแล้วก็พยายามจําไว้จําไว้เวลาเราเจอหน้าใครเวลาเรามองหน้าเราในกระจกก็คิดลองดูหน้าเราบ้างก็ได้ เราเคยเห็นกระโหลกศรีรษะเราหรือยงังเราเคยเห็นโครงกระดูกของเราหรือยงังนี่แหละต้องเวลาพิจารณาต้องพิจารณาตอนนั้นไม่ใช่ตอนมานั่งหลับตาตอนนั่งหลับตาเน้ต้องการพักจิตต้องการให้จิตมีกําลังจะได้มีกําลังมานึกคิดทางปัญญาได้เพราะถ้าจิตไม่สงบมันไม่มีกําลังกิเลสมันจะเอาไปคิดทางกิเลสมันเห็นอะไรก็สวยเห็นอะไรก็หลอ่อเห็นใครก็หลอ่อเห็นใครก็สวย แต่ถ้ามีสมาธิแล้วเราจะมีกําลังนึกถึงอส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นนางงามจั ก, กรวาลก็นึกถึงโครงกระดูกที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเขาเห็นดาราภาพยนตร์เห็นนักร้องนักอะไรก็นึกถึงโครงกระดูกดูนักเต้นระบเห็นก็เห็นกระดูกเต้นระบียง้งไง เราควรรักษาใจของเราอย่างไรคะถ้าเราอยู่ในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงทำํำร้ายร่างกายและจิตใจกันคือพ่อกระทําแม่รู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากรับรู้เรื่องราเหล่านี้แต่ต้องอยู่เพราะต้องดูแลพ่อแม่คะ่ะก็คือว่ามันเป็นเหมือนเออเหตุการณ์ทางธรรมชาติพายุมาน้ําท่วมไฟไหม้ถ้าเราทําอะไรไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไป ใช้ขันติใช้ความอดทนไปคิดว่าเป็นกรรมของสัตว์ก็แล้วกันกรรมของเราที่จะต้องมาอยู่มาเห็นสิ่งเหล่านี้ผู้ผู้ที่ถูกกระทำก็ถือว่าเป็นกรรมของเขาที่เขาเคยไปทำอะไรใครมาเขาก็เลยต้องกลับมารับผลกรรมของเขาไปการสวดมนต์ข้ามปีคือการสวดมนต์ในคืนวันสุดท้ายของปี ให้ผลดีอย่างไรคะก็เหมือนคือส่วนวันคืนนี้เน่ะมันก็มันก็เป็นเหมือนกันข้ามปีหรือข้ามคืนข้ามวันมันก็เหมือนกันมันคืนนี้ก็ตอนยีบสี่ตอนตีตอนอ่าตอนเที่ยงคืนมันก็เที่ยงคืนเหมือนกันทุกคืนเนยมันจะไปต่างกันตรงไหนเราไปสมมติมันขึ้นเันว่ามันเป็นวันสุดท้ายของปีคำถามจากคุณปิติวัฒน ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยให้สติของบุคคลท่านหนึ่งท่านเป็นพระท่านอกหักแล้มาบวชกลางวันท่านก็ฟุ้งซ่านกลางคืนท่านก็นอนไม่หลับฝันร้ายฉันเข้าไม่ค่อยได้ท่านบอกภาพวันที่แฟนท่านเดินจากไปกับคนใหม่มันติดตาทรมานเหลือเกินขอความเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยแนะนําวิธีแก้ปัญหาด้วยครับเราก็ต้องใช้สตินี่แหละใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไป อย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่เป็นอดีตแล้วที่ผ่านไปแล้วดึงให้จิตมาอยู่ปัจจุบันวะ่ตอนนี้เราไม่มีใครแล้วเราอยู่เป็นพระแล้วเราต้องอย่าไปคิดถึงอดีตใช้ใช้สติคือพุโทโธนี่ดึงกลับเข้ามาหยุดคิดใช้สติหยุดคิดคิดถึงแฟนคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วถ้าไม่มีสติมันก็จะคิดไปได้เรื่อยคิดแล้วมันก็จะทรมานใจ ยังต้องพยายามฝึกสติลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วต่อไปพุโทโธจะมีกำลังแล้วสติก็จะหยุดความคิดต่างๆได้คําถามจากคุณพีโกเสียงกลิ่นรสเป็นรูปหรือเป็นนามถ้าเป็นรูปมาจากธาตุเดียวหรือหลายธาตุรวมกันครับไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นอะไรหรอกให้รู้ว่าเป็นอันนี้จังทุกครั้งงั้นตาก็หอ่อ เรืว่ามันไม่เทียมอย่าไปยึดไปติดมันอย่าไปชอบมันเพราะเวลาชอบรูปที่เราชอบเดี๋ยวรูปมันรูปที่ชอบหายไปแล้วจะทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเราไม่ชอบเราเฉยเฉยคือชังก็ไม่ได้ชอบก็ไม่ได้ถ้าชังรูปเดี๋ยวเห็นรูปที่ชังก็ทุกข์อีกก็อยากจะให้มันหายมันไม่หายก็มันเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้แค่ให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาก็พอไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นานามหรือเป็นรูปหรือเป็นอะไรหรอ และ้รู้จักวิธีปฏิบัติกรรมังวิธีปฏิบัติกรรมัง ก, ก็คือทําใจให้รู้เฉยๆอย่าไปรู้ล้วปรุงแต่งไปรักไปชอบไปอยากถ้าไปรักไปชอบไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะทุกเวลามันไม่เป็นคําถามจากคุณนวลพรค่ะมีคํากล่าวที่ว่าถ้าเราร่วงเกินครูบาอาจารย์แล้วการปฏิบัติธรรมของเราจะไม่ก้าวหนะ้าหากว่าเราได้แต่หนักแล้วว่าเราเผลอล่วเกินท่านไป และเราได้ไปกราบขอขมาท่านท่านเองก็ไม่ถือโทษเราขอพระอาจารย์ช่วยนี้ช่วยแนะนะําด้วยค่ะคือการล่วงเกิด น, นี้กแสดงว่าเราไม่มีความเคารพไม่มีความเชื่อในครูบาอาจารย์เราไม่ยินเราไม่รับคําสั่งคําสอนของท่านงั mm ้น hmm. มันเราก็อยู่ที่เราว่าเราจะกลับใจจับตัวเราได้หรือเปล่าว่าเราจะเชื่อฟังท่านได้หรือเปล่า mm hmm. ถ้าเราเชื่อฟังได้เราก็จะได้รับประโยชน์ เาท่านรู้มากกว่าเราสิ่งที่ท่านรู้ถูกสิ่งที่เรารู้มันผิดถ้าเราไปเถียงไปค้านไปคิดว่าเราถูกเราก็จะเราก็จะหลงทางเพะฉนั้นการที่เรามีครูบาอาจารย์นี่เราต้องเคารพเชื่อฟังท่านสอนยังไงพูดยังไงก็ต้องทําตามให้ได้ถ้าอยากจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเราไปคิดไป ไปดูถูกดูแคลนไปคิดว่าท่านโง่กว่าเราถ้านไม่รู้เรื่องนี้เรารู้เรื่องนี้ดีกว่าท่านเองอย่างนี้แล้วก็ท่านก็สอนเราไม่ได้เราก็จะเรียนรู้จากท่านไม่ได้เพราะเรามีความรู้ของเรามามาขวางไว้เงนั้นการที่จะไปเรียนจากใครนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าเราเราไม่รู้ดีเท่าเขาเราจึงไปศึกษากับเขา อย่างในเรื่องสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องมีมหาเทระชื่อโปเทลัสนี่ยรู้พระไตรปิฎกหมดเลยแต่พระพุทธเจ้าบอกยังโง่อยู่เพราะความรู้จากพระไตรปิฎกนี้ยังไม่ได้เป็นความรู้ที่แท้จริงความรู้ที่แท้จริงต้องเกิดจากการปฏิบัติถ้าอยากจะได้ความรู้ที่แท้จริงต้องไปปฏิบัติกับผู้ที่เขาบรรลุแล้วผู้ที่มีความรู้ที่แท้จริง ก็เลยต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่บรรลุแล้วครูบาอาจารย์แต่ละรูปท่านก็ไม่อยากท่านก็ไม่ไม่สอนเพราะว่าท่านพรรษาน้อยพระเทลานี้คนสามารถสอนยากสอนคนที่มีอาวุโสกว่านี้สอนมันไม่ได้ตามธรรมเนียมนี้คนอาวุโสต้องสอนคนที่อ่อนกว่าอย่างนี้ยศก็เลยต้องไปหาไปศึกษากับสัมมาเนรสัมมาเนก็บรรลุแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วอ แล้วก็เมื่อไม่มีใครสอนสัมมนเนยก็เลยต้องรับมาสอนแต่ก่อนจะสอนก็ต้องทดสอบว่ายอมรับสัมมนเนยเป็นครูเป็นอาจารย์หรือเปล่าสัมมนเนยก็เลยต้องสั่งให้ทํานู่นทํานี่หรือว่าจะทําตามคําสั่งหรือเปล่าสั่งให้ล้างกระโถนทำให้ล้างให้กวาดถูกุฏิซักจีวรล้างบาศให้สัมมาเดนดูซิว่ามหาเถระจะถือตัวหรือเปล่าเถือว่าตัวเอง รู้มากกว่าเก่งกว่าหรือเปล่านี่แหละนี่คือวิธีที่จะทดสอบว่าผู้ที่จะมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ได้นั้นอยู่ที่ว่าเชื่อฟังคําสั่งหรือเปล่าไม่มาถือตัวว่าฉันเป็นพระเถระเธอเป็นสั ม, มเนยเธอจะมาสั่งให้ฉันล้างบาตรให้เธอไม่ถูกถ้าคิดอย่างนี้ก็สอนไม่ได้นะเพราะมีทิฏฐิมีความถือตัวยังถึงแม้จะมี เป็นเทระมีพันสามากกว่าสัมมเนมแต่ต้องยอมรับ ว, ว่าความรู้เราไม่มีเหมือนสัมมเนงสัมมเนงมีความรู้มากกว่าเราถ้าเราอยากจะได้ความรู้จากสัมมเนมเราก็ต้องรับคำสั่งของสัมมเนมเพราะความรู้การสั่งสอนก็เป็นการคำสั่งไม่ใช่หรือสั่งให้นั่งสมาธิสั่งให้เดินจงกรมสั่งให้พิจารณานี่ก็เป็นคำสั่งทั้งนั้นถ้าไม่ฟังคาสั่งแล้วไสอนได้ยังไง เอเน่นก็เลยต้องท ด, ทดลองใจก่อนดูว่ายอมรับฟังคําสั่งหรือเปล่าก็เลยเอามาเอามาเป็นคนรับใช้ก่อนสั่งให้กวาดบ้านกวาดกุฏิสั่งให้ล้างบาสั่งให้ซักจีวรบางทีก็สั่งแก้งให้ลงไปเอาของที่อยู่ในน้ําพอลงไปได้พอตัวเปียกก็บอกไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจดูซิว่าจะมีอาการอะไรต่อต้านหรือเปล่า แต่พระเถระนี่ท่านก็รู้ว่าท่านต้องเป็นลูกศิษย์ต้องยอมทําตามคําสั่งทุกอย่างและต้องไม่โกรธครูอาจารย์ไม่ร่วงเกินครูบาอาจารย์พอสมมาเนเห็นว่าเป็นคนว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงไม่ร่วงเกินก็เลยสั่งสอนพอสอนไปไม่เท่าไหร่ก็บรรลุได้ดังนั้นการที่เราจะไปศึกษากับใคร ถือใครเป็นครูเป็นอาจารย์นี่เราต้องมอบกายถวายชีวิตเลยพระเนรที่ไปศึกษากับครูบาอาจารย์ทั้งสายวัดป่านี่ mm hmm. เขาถือครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับถือเหมือนพ่อเหมือนแม่เขาลบยิ่งกว่าพ่อกับแม่สั่งอะไรสั่งให้กระโดดตึกก็กระโดดกันเลย mm hmm. นั่นแหะถึงจะเรียกว่า จะได้กิเลสจะได้ไม่มีตัวทิฏฐิตั ว, วมโมหะอาวิชามันจะได้มาไม่มาขวางทางเพราะความคิดของเรานั้นเป็นโมหะอาวิชามันนะเห็นไหมถ้าคาสั่งของท่านมันขัดกับความความคิดของเราก็ แ, แสดงว่าความคิดของเราผิดอย่าไปคิดว่าเราถูกบางทีท่านแก้งผิดก็ได้ท่านแก้งผิดแล้วจะรู้ว่าเราจะเชื่อท่านหรือเปล่าถ้าเราไม่เชื่อแสดงว่า เราก็สอบตกแนละ้วท่านรู้รู้เราแล้วว่าเรายัางไม่เชื่อท่านอยู่แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ถใอเ้วมัผิดว่าเราเชื่อไปก่อนใช่มไม่ต้องไปขัดกันกันถ้าว่าไงก็ว่าไปไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องอะไรแล้วใช้ปัญญาพิจารณาที หรือถ้าไม่แน่ใจก็ลองไปปรึกษากับผู้รู้กูบาอาจารย์รูป อ, อื่นดูคำถามจากคุณชานี้ถ้าเราพยายามพุทโธในใจแต่นึกในใจไม่ชัด น, นึกไม่ออกแต่อยากท่องพุทโธตามพ่อแม่อาจารย์สอนต้องทําอย่างไรคะก็ท่องไปเลยคิดอย่างองื่นคิดได้นะครับคิดคําว่าพุทโธคิดไม่ได้คิดไปเที่ยวคิดไปนูน่นมานี่คิดได้หมดพอให้คิดพุทโธคิดไม่ออกนะ ก็พุโทโธพุโทโธไปตอนต้นคิดไม่ออกก็ออกเสียงขไปก่อนก็ได้ท่องไปก่อนก็ได้พุมพัพึมพันไปในใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วต่อไปก็ลองหยุดพึ่มพันแล้วก็ให้คิดอยู่ในใจไปพุโทโธพุโทโธไปคําถามจากคุณสารยสาที่บ้านมีลายฝุ่นและเป็นภูมิแพ้ค่ะรู้สึกไม่สบายใจถ้าจะซื้อเครื่องกําจัดลายฝุ่น ไม่ทราบว่าจะมีผลต่อสินไหมคะรวมถึงต้องกําจัดปวกที่บ้านด้วยค่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตมัน ก, มนก็มันก็ผิดศีลในในี้สิ่งที่มีชีวิตมันก็มีโทษหนักโทษเบาต่างกันไปสิ่งที่มีโทษหนักก็เกิดสิ่งที่มีคุณมีคุณบุญคุณมากเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่แต่ถ้าสิ่งที่ไม่มีคุณประโยชน์มากก็โทษก็น้อย คำถามจากคุณเจนนี่ค่ะหนูได้ฝึกปฏิบัติ ด, ดูลมหายใจและตามรู้การเคลื่อนไหวตามร่างกายแต่บางครั้งรู้สึกถึงลมหายใจหายไปหรือร่างกายหายไปทั้งๆที่ก็ยังรู้สึกตัวอยู่ว่ายังอยู่แต่หาลมหายใจหรือกายไม่เจอควรทำอย่างไรต่อไปคะ เวลานั่งมันต้องอยู่กับเรื่องเดียวอย่าไปอยู่หลายเรื่องดูลมก็ดูลมอย่างเดียวอย่าไปอยู่ที่อื่นน้ำลมมันจะไม่หายละมันจะเฝ้าอยู่มันจะเห็นอยู่ตลอดเวลาถ้าไปนู่นมานี่มันเดี๋ยวมันหลงนะงั้นเวลานั่งสมาธิต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียวดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวอย่าไปดูลมเพิ่มแล้วเดี๋ยวก็ไปดูร่างกายเดี๋ยวดูล่างกายกลับมาหาลมอ่ะลมไม่เจอแล้วไม่รู้อยู่ไหนแล้ว เดี๋ยวพอลมไม่เจอกลับไปหาร่างกายหาไม่เจออีกเลยไม่รู้จะอยู่ที่ไหนดีให้อยู่กับเรื่องเดียวเวลานั่งนี้ดูร่างกายก็คือดูลมตอนร่างกายไม่มีอะไรให้ดูนอกจากลมลมเข้าลมออกนั่งหลับตาแล้วเราก็ดูลมเข้าลมออกไปหรือถ้าไม่ดูลมก็ใช้บริกรรมพุทโธพุทโธไปจนกว่าจนกว่าจิตมันจะรวมแล้วมันนิ่งสงบแล้วลมก็หายไป พุทโธก็หายไปตันนั้นก็ไม่ต้องไปหาลมไม่ต้องหาพุทโธถ้ามันสงบแล้วก็ถึงว่าเราได้ถึงที่แล้วได้ถึงความสงบแล้ว <c oughs> ใจนิ่งใจไม่ไม่มีไม่มีความวุ่นวายแล้วใจส ง, สงบมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็นั่งไปเรื่อยๆจนกั่ามันจะจะออกจากสมาธิมาแต่อยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็พุทโธใหม่ดูลมใหม่ต่อ คำถามกับคุณเคอค่ะการไปใส่บาทแต่ไม่อยากใส่บาทกับเนนอยากใส่บาทกับพระเท่านั้นบาปไหมคะไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าเราก็ยังจิตใจยังไม่กว้างพอความเมตตาต้องเมตตาทุกคนเพราะแม้ว่าพระว่าเนนหิวข้าวเหมือนกันต้องกินข้าวเหมือนกันเนนก็ต้องกินข้าวพระก็ต้องกินข้าวหมาก็ต้องกินข้าว ดัง้นถ้าใครหิวก็ต้องเลี้ยงเขาถ้าเราเลี้ยงได้ก็ควรจะเลี้ยงเขาไม่ใช่ไปเลือกเลี้ยงเดี๋ยวเกิดถ้าเราเราคนอื่นเข้ามาเลือกเราบ้างอะเลี้ยงคนนั้นแต่ไม่เลี้ยงเราเราจะรู้สึกยังไงคำถามจากคุณเคร์ค่ะคุณพ่อป่วยหนะักต้องอยู่ไอซีเป็นเวลานานหากคุณหมอแนะนําให้พิจารณาว่าจะช่วยเหลือให้มีชีวิตต่อหรือไม่เพราะท่านอายุเยอะมากแล้วควรจะคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คะก็ะถามพ่อดูเลย ชีวิตของพ่อก็ต้องถามพ่อหรือว่าพ่อจะเอาอย่างไรพ่อจะให้รักษาต่อก็รักษาไปพ่อบอกไม่เอาแล้ว ก, ก็ไม่ต้องรักษาอันนี้เป็นเรื่องของพ่อแล้วหน้าที่ของเราก็คือสนับสนุนตามความปรารถนาของท่านถ้าเราทำได้นอกจากว่าถ้าท่านปรารถนาการทำที่เป็นบาปเช่นบอกว่าช่วยค่าเราหน่อยช่วยเอาอะไรมาอุดจมูกเราหน่อยถ้าอย่างนี้ก็ทาไม่ได้เพราะมันบาป แต่ถ้าสิ่งที่พ่ออยากให้เราทำมันไม่บาปเราก็ทำไปถ้าพ่อบอกว่าไม่ต้องรักษาละหรือรักษาอย่างอย่างนี้อย่างนั้นอย่าไปรักษาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำตามที่ท่านบอกท่านบอกอย่าเจาะคอยอย่าอย่าเจาะอะไรอยู่ไปตามมีตามเกิดมียา ก, กินได้ก็กินฉีดได้ฉีดได้ก็ฉีดก็ต้องเป็นไปตามอัทยาสัยของของตัวเขาเองเราไม่ได้เป็นคนไข้ ชีวิตของเขาเราไม่เราไม่ควรที่จะเป็นผู้จัดการากับชีวิตของเขาเพราะถ้าเป็นชีวิตของเราเราจะคิดอย่างไรเราก็อยากจะจัดการกับชีวิตของเราใช่ไหมคาถามจากคุณสะเลโยมไม่อยากผิดศีลแต่ตอนนี้แม่ไก่ออกไข่และฟักเป็นลูกไก่เยอะมากเป็นไก่พื้นเมืองค่ะทําอย่างไรดีเจ้าคะเออก็เลี้ยงไปสิจะทำยัง่ะ <laughs> เลี้ยงไปแล้วก็เอาไปแจกให้คนอื่นเขาต่อก็แล้วเอาไปแจกให้คนที่เขาไม่ไปค่าคนที่ก็อยากจะเลี้ยงก็เลี้ยงไปถ้าไม่งั้นก็ปล่อยให้มันอยู่ไปตามบุญตามกรรมปล่อยให้มันไปอยู่ไปปล่อยป่าไปปล่อยที่ไหนให้มันหากินเอาเองถ้าเราไม่มีปัญญาที่จะเลี้ยงมันจะมาปล่อยวัดก็แล้วกันชอบมาปล่อยวัดกันเยอะหมานี่พอไม่พอไม่อยากจะเลี้ยงมันก็มาปล่อยวัดกันกลายเป็นภาระของวัดไป คำถามจากคุณสอรวิทข้อที่หนึ่งอาชีพที่ทําให้คนตายได้เช่นตำรวจยิงโจนทหารยิงฆ่าศึกเภสัชศาตรฆ่านักโทษหมอที่รักษาคนไข้าตายบาปไหมครับหมอที่รักษาคนไข้าตายนี่คงไม่บาปเพราะหมอไม่เบไม่ได้ทําให้ตายคนไข้าตายเองแต่ถ้าทางตำรวจนี่ไปยิงเขาเนี่ยตายก็บาปแต่บาปมันมีหนักมีเบายิงคน ยิงคนที่เป็นศัตรูกับยิงคนที่มีบุญคุณนี่ต่างกันเราะฉั้นถึงแม้จะบาปมันก็บาปน้อยกว่ากว่าไปไปไปทำร้ายคนที่ก็มีบุญคุณมีคุณค่ามีคุณประโยชน์คนที่ไม่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ฆ่าเขาก็บาปแต่โทษมันจะเบากว่าเแทนที่จะจำคุกยี่สิบปีก็อาจจะแค่สามปีห้าปี ข้อที่สองกีฬาเช่นชนไก่ปากัดถ้าไม่ได้พนันขันต่อคนนํามาสู้กันต่อจะบับไหมครับเพราะปกติธรรมชาติของเขาสู้กันเป็นปกติอยู่แล้วครับก็เราคิดดูถ้าเราเป็นเขาเราจะเราจะเอาเขาบับะเขาให้เราขึ้นไปบนเวทีแล้วชคกันอย่างนี้อันนี้ก็ต้องให้ปล่อยให้มันไปตาม ธรรมชาติของเขาดีกวปล่อยก็อยู่ตามธรรมชาติแล้วถ้าเขาเกิดไปเจอกันก็จะไปกัดกันก็เรื่องของเขาแต่เราอย่าไปเอาของเขามาเจอกันแล้วปล่อยให้เขากัดกันอันนี้มีเจตนาคําถามจากคุณหนูหนูชอบทําสมาธิอยู่บ้านค่ะสองถึงสามชั่วโมงไม่ค่อยได้ไปวัดจะได้บุญไหมคะถ้าจิตสงบก็ได้เนะี่ยความสงบก็คือบุญอย่างหนึ่ง บุญก็ได้อยู่ที่วัดได้อยู่ที่บ้านบุญอยู่ที่จิตที่สงบเอาอีกข้อหนึ่งนะข้อสุดท้ายละจากคุณพัทค่ะมีคนรู้จักคนหนึ่งมักพาคนไปไถ่ชีวิตงัวควายเป็นประจำต่อมาเขามักป่วยบ่อยและมีครูบาอาจารย์บางท่านแนะนำว่าสัตว์ใหญ่มีกรรมหากเราช่วยเขาผู้ที่นำบุญจะได้รับความอาฆาตจากเจ้ากรรมในเวรของสัตว์นั้น ทำบุญแล้วต้องรับกรรมแทนด้วยหรือคะอ๋อไม่เกี่ยวกันละคนละเรื่องกันทำบุญก็ได้บุญเราไม่ได้ไปทำเวรทำกรรมกับใครอันนี้เป็นความเข้าใจผิดมากกว่าอยงไม่ต้องกังวลทำบุญของเราทำไปแต่บุญที่เราทำในวันนี้มันอาจจะไม่ได้ส่งผลให้เราเช่นทำให้เราหายจากโรคภยัยไข้เจ็บจากการไปถ่ายวัวถ่ายควายถ้าอย่างเราก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหอ เวลาไม่สบายก็ไปซื้อวัวควายมาปล่อยแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยแต่นี่มันอาจจะเป็นอน า, อนาคตเกิดเราไปเป็นวัวเป็นควายแล้วก็จะเอาเราไปฆ่าก็อาจจะมีคนมาถ่ายชีวิตเราก็ได้ทําอะไรไว้มันก็จะได้อย่างนั้นกลับมาหาเราให้คิดอย่างนี้แต่ไม่ใช่ในภพบในชาตินี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องรอไปพบหน้าชาติหน้าพบต่อๆไปแต่ก็ไม่แน่บางครั้งบางคราวมันอาจจะเกิดขึ้นในชาตินี้ก็ได้ แต่เราอย่าไปหวังมันก็แล้วกันถ้ามันไม่เกิดก็แสดงว่ายังไม่ถึงเวลาเหมือนปลูกต้นไม้มันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะออกดอกออกผลเราก็ปลูกไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งถึงเวลามันก็จะออกดอกออกผลให้เราได้รับอย่างแน่นอนเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติ